อย่างอย่างสมัยนี่นะอย่างคนที่แตกฌานพระไตรปิฎกอย่างเช่นอัฐฐาาตตกถาฌา์ทั้งหลายพูดคําว่าภาษาริบตรปั๊บเนี่ยนะปัญญาของท่านรู้ได้เลยว่าภาษาริบุตรมีปรากฏเรื่องของภาษาริบุตรอยู่ที่ไหนบ้างในพระไตรปิฎกและอัตตกถามันพูดมาหนึ่งคำปั๊บเนี่ยพูดในงีนี้นะเออนี่พูดตามสูตรนี้นะถ้าพูดอย่างงี้จะพูดตามสูตรนั้นถ้าพูดอย่างนั้นพูดตามสูตรโน้นพูดอย่างนี้พูดตามสูตรนี้เป็นต้นแล้วท่านก็มองภาพความเป็นไปของชีวิตภาษาริบุตรอย่าง ตลอดสายเนี่ยนะมันจะพูดในจุดใดที่ไหนเมืองไหนอย่างไรเนี่ยนะถ้าพูดถึงเขาขี้จิกูดเกี่ยวข้องกับภาษาริบด์อย่างไรท่านก็รู้แล้วแล้วภาษาริบด์เกี่ยวอะไรกับเมืองสาวัตถีบอกเกี่ยวสิเนี่ยนะเขจะสแสดงเ พ, พราะภาษาริบด์ไปสแสดงทำให้อนาถบินทิกะก่อนจะสิ้นชีวิตเป็นต้นฟังเนี่ยนะอ้าแล้วภาษาริบด์เกี่ยวอะไรกับเมืองพาราณสีบอกพี่เมืองพาราณรสีภาษาริบด์สนธนาธรรมกับ พ ร, พระมหากรวดทิตาพระมหากสปะเป็นต้นเป็นประจำเนี่ยนะเขาก็จะรู้ละเออดเรื่องต่างๆณสถานที่ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างไรเนี่ยนะมันผู้ที่เป็นพหูสูตรเขาจะระดึกได้จําไว้ได้เป็นต้นเขาเรียกว่าผู้สูตโตฟังมามากเรียนมามากส่วนคําว่าสุตตะธโรปแปล ว, ว่าทรงสุตะทรงสุตะเนี่ยแปลว่ารองรับสุตตะเอาไว้ได้รองรับสุตตะเอาไว้ได้ก็แปลว่าเครื่องบันทึกเสียงมันดีเนี่ยนะ แปล ว, ว่าเครื่องบันทึกเสียงดีก็แปล ว, ว่าเก็บเก็บเนื้อหาไว้ดีอะนะจริงอยู่พระพุทธพจน์อันพิสุได้เรียนแต่บาลีประเทศเลือนหายไปแต่บาลีประเทศไม่คงอยู่เหมือนน้ำในหม้อทะลุเธอไม่อาจจะกล่าวหรือบอกสู่หรือชาดกข้อเดียวในท่ามกลางบริษัทได้พิสุจนี้ไม่ชื่อว่าสังสมสุตตก็คือกลุ่มพวกที่อะไรนะก็ได้ยิน่ะพอลุกขึ้นก็จบเลยเนี่ยนะ จบพร้อมกับเลิกเหมันกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่ชื่อว่าพวกสังสมสุตะเพราะอะไรกําหนดจดจําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะโอ้ดีเหลือเกินแบบเรื่องอะไรบักจําไม่ได้ละแล้วเรื่องเป็นยังไงแบกจําไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ว่าดีกันล้วกันอย่างเงี้ย น, นะถ้าอย่างงี้ก็ไม่เรียกว่าพวกสังสมสุตะอาจจะได้ยินมามากแต่จําอะไรไม่ได้เนี่ยนะเป็นลักษณะแบบประเภทอะไรฟังวิทยุกระจายเสียงไงฟังจบแล้วก็เลยหายไปหมดไปกับอากาศคลายแบบนั้น น, น, นะนะไม่ได้เก็บบันทึกอะไรเอาไว้เลยอันนี้พวกนี้ไม่ชื่อว่าพองหูสูตรนะ ไม่ชื่อว่าสุตะทะโรพวกทรงสุตะส่วนพระพุทธพจน์อันภิกษุใดเรียนแล้วเป็นอย่างเวลาที่ตนมาเรียนแล้วนั่นแหละคือตอนเรียนอย่างไรหลังจากนั้นก็อย่างนั้นถึงเธอไม่ทําการสาธยายตั้งสิบหรือ20ปีก็ไม่เลือนหายพวกนี้เรียกว่าทรงสุตะอย่างพระพระบางรูปเนี่ยนะท่านบอกว่าท่านเรียนพระไตปรปิฎกจบท่านไม่เคยมาสาธยายเลย พราะท่านเข้าใจสาระวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างไรท่านก็ไปเจริญไปปฏิบัติในที่สุดท่านไม่เคยสาธยายแต่พอท่านสาธยายปั๊บเนี่ยนะทุกอักขระเป็นไปตามนั้นทุกประการพวกนี้แหละเรียกว่าพวกสรงสุ ต, ตะเนี่ยนะพวกรักษาเอาไว้ได้ น, นะนะไม่ใช่ปร ะ, ระเภทแบบเปิดเครื่องเก็บแผ่นนะนะมาเปิดดูอ้าวลบไปหมดแล้วเนี่ยนะไวรัสขึ้นหมดแล้วไงไม่ใช่อย่างนั้นนะั้นบทว่าสุตะสันนิจโยพวกสั่งสมสุตตะเนี่ยนะ สังสมสุตะบอกว่าภิกษุเหล่าใดสังสมไว้ในหีบคือหะไทยคงอยู่เหมือนรอยศิลาจารึกเนี่ยนะหนักแน่นมั่นคงเหมือนหินจารึกใช่ั้ยสลักหินเอาไว้เนี่ยนะก็เรียกว่าจารึกพุทธพจน์จารึกคำสอนไว้ในใจพวกนี้ก็มีพุทธพจน์ที่คงอยู่ในใจเหมือนอะไรเหมือนน้ามันเหลวของราชสีที่ใส่เอาไว้ในหม้อทองเนี่ยนะ น้ำมันเหลวของราชสีเนี่ยถ้าไปใส่ในภาชนะอื่นๆมันก็ซึมหายไปชันใดก็ต้องอาศัยหม้อทองอน้ำมันเหลวเหล่านั้นก็ไม่ซึมเนี่ยนะถ้าถ้าน้ำมันเนี่ยเอาไปใส่ในหีบไม้จะเป็นยังไงซึมออกหมดใช่ไหมซึมออกหมดมันก็ต้องใส่ไว้ในสถานที่ที่สมควรจึงจะไม่ซึมออกฉันใดผู้ที่สั่งสมสุตตะคำซ้อนก็จะดํารงคงมั่นอยู่ในใจเนี่ยนะเขาเรียกว่าระลึกไว้ในใจเขาเรียกว่ามันอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะบอกว่าถ้าเก็บไว้ในกระดาษใช่ไหม แน่นอนไหมความรู้เนี่ยนะถ้าถ้าเรารู้สิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเนี่ยเก็บไว้ในกระดาษเป็นต้นเนี่ยยากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาจึงให้ความสำคัญว่าเก็บไว้ในเก็บไว้ในใจเพราะพวกที่เก็บไว้ในใจจะต้องตั้งอยู่ตั้งอยู่แบบช่ำชองนะตั้งอยู่อย่างช่าชองและไม่คลาดเคลื่อนคือบางคนเนี่ยจำได้ก็จริงแต่ว่าจำแบบขาดขั ด, ขดหายหายจำแบบขัดขัดกันเกินเนี่ยนะไม่ค่อยพอดีอะ่ะ แต่พวกนี้ตาตาก็คือตั้งอยู่แบบไม่ขาดไม่เกินเนี่ยนะแล้วก็ต้องเป็นคนที่วาจาปริจิตาเป็นคนที่ท่องแล้วด้วยวาจ า, านะต้องมาท่องมาทบทวนมาสาธยายบ่อยๆเนี่ยนะมาสาธยายเป็นประจำเช่นวันละวักสองวักเนี่ยนะทีละสิบสูตรยี่สิบสูตรหรือท่องสาธยายเอาไว้ทีละปนาสกะเป็นต้นก็แปลว่ามีโอกาสทบทวนพระธรรมคาสอนที่ตัวเองได้ เคยทรงจําท่องบนแล้วก็สาธยายเนี่ยนะก็ทรงจําท่องบนสาธยายเอามาทบทวนเรียกว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนถินมนเนี่ยแปลว่าความรู้นะมนนี่ไม่ใช่เวทมนนะเวทะเวทะก็แปลว่าความรู้อีกนั่นแหละเพราะการความรู้เนี่ยมีการไม่ท่องบนเป็นความเศร้าหมองพระสูตรก็เหมือนกันคําสอนที่เราเรียนมาเราศึกษามาถ้าไม่มีการท่องบนสาธยายใครครวญบ่อยๆก็มีการ ก็มีความเศร้าหมองเหมือนกับบ้านเรือนเนี่ยนะถ้าไม่เช็ดไม่ถูเลยฝุ่นละอองเป็นต้นก็เกาะก็กลายเป็นเป็นความเศร้าหมองเหมือนกับร่างกายเนี่ยนะผิวพรรณเนี่ยถ้าไม่อาบไม่ล้างเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เศร้าหมองฉันใดความรู้ทั้งหลายก็เหมือนกันคําสอนก็เหมือนกันนั้นต้องท่องบนสาธยายไว้บ่อยๆเนี่ยนะโรงเรีองเนี่ยต้องท่องบนสาทยายธรรมจักเอาไวบาบา้บ่อยๆเดี๋ยวเรือนหายมันก็จําไม่ค่อยจะได้แล้วเนี่ยนะมันถ้าไม่ท่องด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยนะ สามวันจะอะไรนะมอนเนี่ยนะอะไรนะถ้าไม่ท่องจำกี่วันหายอ่ ะ, อะนะกี่วันเอเนี่ยนะปิดหนังสือก็หายหมดแล้วเนี่ยนะั่นันเปิดอีกเนี่ยนะก็ต้องพยายามที่จะเก็บเอาไว้ในใจเนี่ยนะเพราะฉนจนกว่าความรู้เหล่านั้นจะอยู่ในอยู่ด้วยวาจาของเราเนี่ยนะพูดเมื่อไหร่ก็เป็น ทำสอนไปเลยเพันะจะพูดตรงไหนก่อนก็ได้เนี่ยนะให้ชำนาญแล้วก็คล่องแคล่วอย่างนั้นเพราะความรู้เหล่านั้นจึงจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จําอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยนะสมมุติถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขเลยเนี่ยนะสูตรคูณจําอะไรไม่ได้ซากอย่างเลยเนี่ยจะบวกเลขคูณหารไว้ยังไงเนี่ยนะสมมติถ้ า, ถ า, ถาสมมติว่าคอมพิวเตอร์มันเสียเนี่ยนะไอเครื่องคิดเลขมันเสียหมดดีลูกคิดก่อใหม่เป็นเนี่ยนั่นทำไงดีคะเนี่ยจะคิดอะไรออกได้บ้างเนี่ยนะฉันได้ วิจารณญาณทั้งหลายก็เหมือนกันมันเราก็ต้องจําอะไรได้ระดับหนึ่งจึงจะมีวิจารณญาณเขบอกบางคนบอกโอ้ยอย่างนี้มันนกแก้วนกขุนทองมันรู้ไม่จริงมันต้องจําเข้าใจบอกเข้าใจถ้าจําไม่ได้ทําไงเอาเนี่ยนะความเข้าใจเนี่ยนะมันเรื่องดีแต่ความเข้าใจที่ถ้าประกอบกับจาได้ล่ะจะดีขนาดไหนคนที่เข้าใจอย่างเดียวจําอะไรไม่ได้ก็ไม่ดีคนที่จําได้อย่างเดียวไม่เข้าใจก็ไม่ค่อยดี แต่ถ้าทั้งเข้าใจและจําได้ล่ะอันนี้ดีแล้วทํายังไงจะเอาให้มันสมบูรณ์แบบทั้งจําได้และเข้าใจเพราะนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์นี่คนที่ท่องได้สาธยาได้คล่องปากที่สําคัญก็ต้องขึ้นใจเนี่ยนะมนานาาณุเปกขีตาเพ่งด้วยจิตใคร่ครวญด้วยจิตเรียก ว, ว่าท่องด้วยวาจาเสร็จแล้วเนี่ยนะเรียก ว, ว่าตนเนี่ยท่องแล้วก็คล่องด้วยวาจาพุทธพจน์นั้นก็จะปรากฏเหมือนรูป อันนะั้นแปลว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏในใจคําเหล่านั้นจะเริ่มเข้าใจอย่างสมมุติเนะี่ยอย่างคนที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะแม้จะเจริญสติเจริญสติจะปฏิบัติอย่างเดียวแล้วุทธพจน์พระพุทธเจ้าพูดอย่างไรตรัสอย่างไรกับสติปัฏฐานบอกไม่รู้เหมือนกันเอาไม่รู้แล้วจะเจริญสติปัฏฐานว่าอย่างไรแม้เขาอยากเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานอ้าแล้วกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นยังไงบอกทําไม่ได้ไม่รู้อ้าแล้วจะเจริญว่ายังไงเนี่ยนะ ก็บอกว่ามาหาเพื่อนเพื่อนคุณชื่ออะไรบอกจำชื่อไม่ได้แล้วหน้าตาเป็นยังไงเออไม่จําไม่ได้แล้วแล้วที่สนามหลวงด้วยนะคิดว่าจะเจอเพื่อนไหมอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็จอดรถทิ้งเอาไว้บอกรถคุณนี้ห้ อ, อะไรบอกจาไม่ได้สีอะไรจําไม่ได้จอดที่ไหนนึกไม่ออกเนี่ยนะแต่รู้ว่าเคยมีรถอย่างเงี้ยนะะเคยมีเมื่อไหร่จอดทิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บอกจําอะไรก็ไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงจะน่าสงสารขนาดไหนใช่ไหมอย่างบางคนที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าชื่อเขายังจําไม่ได้บางทีเอองง ให้เราเียชื่ออะไรให้เราเป็นใครเนี่ยให้เราจะมาจากไหนหเราจะไปยังไงโอสรุปว่าเหลือแต่ชีวิตนั่นแหละอย่างนั้นทีนี้ฉันใดผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามทำตามคําสอนก็ต้องระลึกว่าเออเนี่ยถ้าเราจะเจริญอะไรต้องระลึกไว้เสมอว่าเนี่ยสมมติถ้าจะเจริญสติปัฏฐานระลึกไว้เสมอเลยว่าพราะองค์ตรัสว่าอย่างไรอันนี้สมของสติปัฏฐานเป็นอย่างไรและที่สําคัญเนี่ยนะเช่นคําว่าพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมานัตเนี่ยนะก็เรามาคิดดูเออย่างไรชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายไอ้คําว่าพิจารณานี่ขอบเขตมันแค่ไหนอย่างไรชื่อว่ากายอย่างไรชื่อว่าในกายอย่างไรชื่อว่ามีความเพียรอย่างไรชื่อว่ามีสัมปชัญญะอย่างไรชื่อว่ามีสติอย่างไรชื่อว่า กำจัดอภิชาและโทมนัสเบื้องต้นของการเจริญอย่างนี้มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดถ้าเจริญอย่างนี้เนี่ยเจริญไม่งอกงามเพราะอะไรถ้าเจริญแล้วงอกงามยิ่งขึ้นเพราะอะไรเจริญอย่างนี้แล้วจะบรรลุมรรคผลเมื่ อ, อไหร่แล้วบรรลุอะไรบรรลุว่าอย่างไรก็ต้องมาถ้าจำได้บ้างมันก็จะเป็นที่มาของการเรียกว่าปริปุจฉาสอบถามพิจารณาไตรครวลเพื่อ ให้รู้แจ้งแผงตลอดเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะไม่อยากจาด้วยไม่สนใจที่จะจำจริงเหร อ, อขอให้มันไม่จำอะไรได้ทุกเรื่องจริงๆทำไม่ละเอาที่บางอย่างเนี่ยแม่นเหลือเกินเนี่ยนะใช่ไหมจำอะไรนะเช่นคนอื่นเขาว่าเขาจะให้อนันั้นแต่ไม่เห็นให้สักทีทวงเลยใช่อันนี้ทีอย่างเงี้ยจำแม่นเหลือเกินเดี่ยนะ คำพูดบางอย่างในแหมจําแม่นเช่นเขาด่าเราคําเดียวใช่ไหมจำตลอดชาติา อ, อย่างนี้ไอ้ยางงี้น่ะมันไม่ควรจะจําก็กลับจําบ้างเรื่องในแม้จําได้ทําไมจําตั้งหัวตรดท้ายแม่นยําเหลือเกินก็เรียกว่าสิ่งที่สาระดันไม่จำเนี่ยนะก็เรียกว่าเปรียบเหมือนกรรบับรดบรรทุกใช่ไหมบรรทุกบรรทุกขยะมูลฝอยเนี่ยเต็มถังไปหมดทีบ่บรรทุกบรรทุกรัตนะเนี่ยนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะทําทเป็นมักน้อยอย่างไงนะ น, นี่ก็ไม่ใช่ละมั้งเนาะมันก็ต้องพยายามที่จะ ใคร่ครวญทวนทานนะคลองด้วยวาจาแล้วก็มาตรึกมาเพ่งมาพินิจพิจารณาใคร่ครวญด้วยด้วยใจและที่สําคัญสุดท้ายก็คือแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิทิฏฐิยาสุปติวิทาแปลว่าแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาแทงตลอดว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุ ท, ทยัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรคเนี่ยนะ ตรงไหนเป็นศีลตรงไหนเป็นสมาธิตรงไหนเป็นปัญญาตรงไหนเป็นวิมุตตตรงไหนเป็นวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะตรงไหนเป็นเป็นอริยสัจข้อไหนอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรทำให้แจ้งอะไรควรเจริญคือฟังแล้วกำหนดจดจำเข้าใจอะนะเอาถามว่าทำไมเข้าใจอะมันก็มีทางทางเดียวเท่านั้นแหละต้องทาให้มันเข้าถึงใจก่อนแล้วถามทำยังไงอะ และใจอยากได้จริงๆไหมล่ะต้องถามใจเราเหมือนกันนะเออเราเราอยากรู้จริงไหมล่ะอยากเข้าใจจริงไหมล่ะเออแล้วสิ่งนั้นถ้าเข้าถึงใจเราจริงๆจะเป็นยังไงดีไหมเราเข้าใจเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจเสียหายอย่างไรก็ ว, ว่านั่งถามตัวเองคุยกับตัวเองให้มันยาวเหมือนกันนะโอ้ยไม่มีใครคุยรู้เรื่องกันนั่งคุยกับตัวเองโลกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตัวเองลองได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วเหมือนเปลี่ยนยากใช่ไหม บอกชั้นใดก็ดีพัะต้องพยายามที่จะกาหนดจดจาเรียนรู้ใคร่ครวนทรงจําคำสอนระลึกไว้เสมอเอาไว้ในใจเนี่ยนะต่อไปบทว่าปริมันเดเลหิประดับพยัญชนะหชื่อว่าพยัญชนะนะครัว่าทั้งบทพยัญชนะกล่าวพยัญชนะให้ราบเรียบเนี่ยนะก็คือพูดตามหลักกเรียกว่าหลักภาษาเป็นอย่างไรก็ให้ราบเรียบ เขาบอกว่าภิกษุใดถ้าแสดงธรรมในบริษัทอ้างสูตรอ้างชาดกมาอธิบายด้วยอุปมาเรื่องนั้นผ่านจับเรื่องนี้วางเรื่องนั้นลุกเอาไว้แล้วเรื่องไหนที่อ้างก็สักแต่ว่าอ้างไม่มีอยู่จริงกเรียกว่าพูดไปเรื่อยอ้างไปเรื่อยเนี่ยนะไม่จริงอันนี้พวกนี้เรียกว่าพวกไม่ราบเรียบเชื่อถือไม่ได้ก็อ้างเรื่องนี้อ้างชาดกเรื่องนั้นอ้างพระเจ้าองค์นี้อ้างพุทธพจน์อย่างนี้จับแพะชนแกะเรื่อยเปื่อยพวกนี้เรียกว่าพยัญชนะ ไม่ราบเรียบมีช่องว่างเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะก็เราว่าถ้าหากว่าถอดเทพเนี่ยนะถอดเทพเลยแล้วมาดูบรนทัดเนี้มีที่มาอย่างไรบรนทัดนี้อ้างไปเรื่อยเปลือยหรือเปล่าเนี่ยนะบรนทัดนี้คิดอยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยใช่ไหมห อ, อะไรเป็นต้นก็เราว่าถอดแล้วเอามาดูใจความว่ามีที่มาที่ไปพูดอ้างอิงชัดเจน หลักฐานและความเป็นจริงมันอย่างนั้นไหมมันจริงในความเชื่อจริงในความเห็นหรือว่าพูดพร่ำพูดเพลินพูดไปเรื่อยเปื่อยให้มันหมดชั่วโมงไปเรื่อยหรือว่ามันเพราะอะไรแล้วก็แสดกว่าผู้ที่มีปัญญาจริงๆเนี่ยเขาสารวจตรวจสอบใคร่ครวญแล้วก็รู้ที่มารู้ที่ไปเขาจึงรู้ว่าเออเนี่ยบทเนียอ้างอิงอย่างถูกต้องอันนี้อ้างไปเรื่อยเปื่อยอย่างที่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีผู้ที่ วิจารณข้อความในพระไตรปิฎกวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วก็อ่านหนังสือมาอย่างลวกๆกแล้วก็วิจารณแบบง่ายๆ่ายลวกๆกถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะพันดีกรีตัวเองจะยศตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าสิ่งที่ทํานี่มันลวกๆกเนี่ยนะพราะมันลวกๆกและอะไรจะเกิดขึ้นพระาศาสนาก็เสียหายเพราะฉะนั้นพยาามชนะที่ไม่ราบเรียบเนี่ยสร้างปัญหาผู้ที่ฟังมาก็ฟังแบบลวกๆวกเนี่ยนะฟังแบบลวกๆวกมันก็สุกเอาเผากินเนี่ยนะ มอะไรจะเกิดขึ้นพันคำสอนก็เสียหายพันพวกนี้เรียกว่าพวกพยัญชนะไม่ราบเรียบใช้ไม่ได้นั่นนะส่วนภิกษุใดอ้างสูตรหรือชาดกไม่ถือเอาบทในภายในแมบทหนึ่งมาลบล้างอนุสนทิและเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งบาลีตั้งอยู่ในยะที่อาจารย์คือพุทธพจนว่าเอาไว้ดำเนินไปเหมือนกำหนดด้วยตราชั่งเหมือนส่งน้าไปในที่เหมืองลึก เหมือนสินทบอาชาในกระทืบบท้าวถ้อยคำของภิกษุนนั้นชื่อว่าราบเรียบแปลว่าอะไรแปลว่าคำสอนที่เป็นไปตามร่องตามรอยเนี่ยนะเป็นไปตามร่องรอยของคำสอนคำสอนเป็นอย่างไรยกข้อความเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์อย่างไรพระองค์ต้องการแสดงอะไรบอกอะไรชี้แจงอะไรก็ดำเนินไปตามพุทธพจน์ดาเนินไปตามคาสอนเหล่านั้นทั้งหมดอย่างนี้ชื่อว่าพยัญชนะราบเรียบ